เมื่อกี้เราได้สาธยายทามีตอนหนึ่งที่เราได้ยินมาบ่อยนะคุ้นเคยกันดีอ่านในพระไตปรปิฎกก็จะเจอนะกล่าวถึงหลายครั้งครูบาอาจารย์ก็พูดถึงอยู่สเสมอนั่นคือการเกิดก็เป็นทุกข์ มีคนหนึ่งเขาก็สงสัยถามขึ้นมาว่าในเมื่อการเกิดเป็นทุกข์ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปทำให้ใครเกิดมาสักคนจะเป็นบาปหรือเปล่าเพราะว่าทำให้เขามาเจอทุกข์อันนี้เราถ้าเป็นเราจะตอบอย่างไรดีจริงๆแม้ว่าการเกิดเป็นทุกข์ เกิดมาแล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วต้องเป็นทุกข์เสมอไปเมื่อเกิดมาแล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้การเกิดเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราสามารถฝึกฝนพัฒนาตน จนมาพบสิ่งที่ประเสริฐตั้งแต่มากจนถึงมากที่สุดเพราะมนุษย์เรามีศักยภาพที่จะเข้าถึงสิ่งที่ดีงามเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐถ้าถึงขั้นสูงสุดก็คือสิ่งที่พระพุทธเจา้าได้สงค้นพบ การเกิดยังเป็นโอกาสให้เราได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามมากมายเพราะฉะนั้นไ ม, ไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วนี่มันจะมีแต่ความเสื่อมความวิบัติอย่างเดียวเมื่อเกิดมาแล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรันตสาวกทั้งหลายได้เป็นแบบอย่างว่าสามารถที่จะ ยกจิตยกใจจนพ้นจากความทุกข์ได้ความแก่ความเจบ็บความตายเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นข้อความที่เราได้ยินบ่อยๆแต่แก่แล้วเจ็บแล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะหรือว่าเมื่อจะตายเนี่ยก็ไม่เป็นทุกข์ก็ได้งั้นมันไม่ขัดกันเลยมันไม่ขัดกันหรอกเพราะว่า เวลาพูดถึงความเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเราหมายถึงความทุกข์กายไม่จำเป็นต้องทุกข์ใจด้วยความแก่ความเจ็บก็เช่นเดียวกันนะเป็นความทุกข์กายความตายก็เช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องทุกข์ใจด้วยคนที่แก่แล้วก็ไม่ทุกข์ใจก็มีเยอะแม้ว่าก็จะ เดินลำบากจะปวดจะเมื่อยคนที่เจ็บแม้แมก้กระทั่งเป็นมะเรง็งแต่เขาไม่ทุกข์ใจก็มีคนที่เมื่อรู้ตั ว, วจะตายหรือว่ากำลังจะตายที่จิตใจสงบก็มีแล้วเราก็ต้องเข้าใจให้ชัดนะว่าเวลาเราสาธยายว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เนี่เราเล็งเพ่งไปถึงความทุกข์กายเป็นสำคัญไม่ได้แปลว่าจะต้องทุกข์ใจด้วยไอ้ความทุกข์กายนี่มันไม่มีใครหนีพ้นเมื่อเกิดมาแล้วนี่ต้องเจอแน่นอนความแก่ความเจ็บและความตายาความตายเนื่องก็หมายถึงความ เสื่อมสลายความวิบัติทางกายแต่ว่าใจสามารถจะสงบนิ่งได้อันนี้ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ น, นะแต่ว่าเพราะได้ฝึกได้ปฏิบัติได้อบรมบ่มเพาะจิตจนกระทั่งจิตมีคุณภาพที่จริงเพียงแค่ทำความดีอย่างสม่ำเสมอเรียกว่าทำบุญ อยู่เป็นนิจเมื่อเวลาจะตายนึกถึงบุญที่ได้ทําก็ทําให้ใจเป็นสุขได้อย่างมีพุทธภา ษ, ษิตว่าบุญย่อมทาให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตวคําว่าสุขนี้ก็หมายถึงสุขใจเป็นสําคัญแต่ว่าก็สามารถช่วยให้สุ ข, สขกายได้ด้วยนะคือพอนึกถึงบุญแล้วนึกถึงความดีที่ได้ทำํำไอความเจ็บความปวดนั้นก็บรรเทาบางๆลง ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่จัดว่าเป็นทุกข์ประจําสังขารจริงๆแล้วนี่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เลวๆนะแม้กระทั่งความทุกข์กายความทุกข์กายนี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวๆเสมอไป มันอยู่ที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรจะว่าไปแล้วนี้ทุกมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะที่มันเป็นปัญหาเพราะเราเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกเช่นเวลามีทุกเกิดขึ้นเราก็าไปเป็นทุกเลยอันนี้เดือดร้อน แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นทุกข์อันนี้ดีนะครูบาอาจารย์หนึ่บอกว่าทุกข์เนี่ยไม่ได้มีไว้เป็นทุกข์มีไว้เห็นนะถ้าเราเป็นทุกข์หรือเข้าไปเป็นทุกข์หรือไปยึดว่าทุกข์เป็นเราเป็นของเรานี่อันนี้ไม่ดีครับนะมันทำให้ทุกข์ใจตามมาด้วยแต่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราเห็นมันอันนี้ดีนะ นะเพราะว่ามันจะทำให้เราได้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมได้ชัดขึ้นเรื่อยๆ เ, เรื่อง น, น้อยๆนะตอนที่เห็นทุกเนี่ยเราก็ไม่เป็นทุกแล้วเช่นเวลาปวดเ ว, เวลาเมื่อยนะถ้าเราเห็นมันนะมันก็เมื่อยมันก็ปวดแต่กายแต่ใจไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยอย่างที่พูดเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วว่าความคิดก็ดีความโกรธก็ดี ความเจ็บความปวดก็ดีมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าเราไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ถูกต้องอย่างเช่นเผลอก็้าไปในความคิดจมหายก็ไปในอารมณ์หรืออีกทางนึงก็คือกดข่มปฏิเสธผลักสายมันอันนี้แหละเป็นตัวการทาให้ทุกข์ใจทุกกายเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันถูก นอกจากใจไม่ทุกข์แล้วนะอาจจะทำให้เกิดปัญญาได้ด้วยในสายพุทธการเนี่ยมีหลายท่านบรรลุธรรมเพราะความเจ็บความปวดหรือผู้อหญ่นึกคือว่าความเจ็บความปวดก็เป็นเหตุปัจจัยให้ท่านบรรลุธรรมได้ยังมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านทุดงในป่าบอกว่าไปเจอเสือ เสริมก็กัดท่านขณะที่ทุกขเวทนาหรือความปวดนะมันบีบคั้นนะบอกว่าท่านมีสติท่านก็เจริญนะกรรมาฐานเอาเวทนาเป็นอารมณ์นะเอาเวทนาเป็นอารมณ์หมายความว่ายางหมายความว่าเอาสติดูความปวดที่มันเกิดขึ้น เห็นความปวดเกิดขึ้นที่กายแต่ว่าใจสงบเพราะมีสติกำกับแล้วถ้าก็เห็นต่อไปว่าโอ้สังขารนี่เป็นทุกข์มากเลยที่เราเคยหลงคิดว่าสังขารเป็นสุขเป็นสุขจนกระทั่งยึดมั่นหวงแหนในสังขารร่างกายนี้ที่จึงมันทุกข์ล้นล้วนพอเห็นเช่น น, นี้นี่ก็ปัญญาก็เกิด ปล่อยวางเลยนะปล่อยวางสังขารท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ขณะที่อยู่ในปากเสือนั่นแหละเห็นไหมว่าความทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะมันสามารถจะเป็นประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักมองรู้จักใช้หรือเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นคือเมื่อมีความทุกข์ไม่พลัดเข้าไปจนเป็นผู้ทุกข์ แต่ว่าเห็นมันนะเห็นนี่คือเห็นด้วยสติแล้วปัญญาก็จะเกิดตามมาและปัญญานี่แหละก็สามารถทําให้พ้นทุกข์ได้พ้นทุกข์ในนี้ที่นี่คือว่าจิตเนี่ยมันอยู่เหนือทุกข์นะทุกข์ยังมีอยู่อย่างในกรณีนี้เนี่ยนะท่านก็ยังปวดอยู่นะแต่ใจท่านอยู่เหนือทุกข์แล้ว แล้วก็เหนือเหนือความทุกข์ทั้งปวงจนกระทั่งพ้นจากวัฏสงสารคืนนิพพานได้ไม่ใช่มีแค่รูปเดียวแี่มีหลายรูปนะที่เวลามีทุกขเวทนาแรงกล้านเนี่ยบอกกัว่ากลายเป็นของดีทำให้ท่านบรรลุธรรมได้เพราะว่าท่านไม่ปล่อยใจให้เขาไปเป็นผู้ทุกข์นะแต่ว่าไปดูไปเห็นมัน อย่างพระนางสามาวดีนี่ก็โดนไฟคลอกตายเป็นมเหสีพระเจ้าอุเทนถูกหลอกให้ไปติดอยู่ในปราสาทที่เป็นคลังผ้าแล้วก็นามาคธิยาซึ่งเป็นมเหสีคนหนึ่งเป็นคนที่ขี้ฉามากก็ทำร้ายด้วยการเผาเลยเผาทั้งเป็นนางมามสาาวดีกับบริวารห0 0รอยคนก็ตายในกองเพลิง ก็มีคนไปทูลพระเจ้าในวันต่อมาพระองค์ก็ตัดว่าเนี่ยการตายของนางและบริบาลเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าเป็นการตายที่ดีเพราะอะไรเพราะว่าทั้งหมดนี้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงคือเดินนางสามาวดีก็เป็นโซดาบันอยู่แล้วนะแต่พอเจอเหตุการณ์นี้เนี่ยแทนที่จะปล่อยใจให้ให้เจ็บให้ปวดตามกายก็ามาใช้วิธีเดียวกันกับ พระพิสูรรูปนั้นก็คือเอาเวทนาเป็นอารมณ์เวทนานี้ไม่ใช่สุขเวทนานสุขเวทนานี้ไม่ช่วยทําให้พ้นทุกข์ได้ต้องทุกขเวทนาพิจารณาก็เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์มากมันไม่น่ายึดถือเลยท่างก็ปล่อยวางก็ไม่ถึงกับเป็นพระอาหารหันต์นะแต่ว่าก็ได้บรรลุธรรมเป็นป ร, ริยบุคคลขั้นสูงกว่านั้นอันนี้เรียกว่า ใช้ทุกข์ให้เป็นประโยชน์ใช้ยังไงนะก็ดูมันไงดูจนเห็นทุกข์การเห็นทุกข์นี่สำคัญนะ <S <S <อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงยกเอาทุกข์เป็นอริยสัจข้อแรกออริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐ ทุกนี่ก็เป็นความจริงอันประเสริฐนะไม่ใช่เป็นความจริงที่ย่าแยนะ่ทุกเป็นความจริงอันประเสริฐและพระองค์ก็สอนต่อไปว่าสิ่งที่ต้องทําเมื่อมีทุกเกิดขึ้นก็คือกําหนดรู้สิ่งที่ต้องทํานี้ภาษาภาคเรียวกิจที่ต้องทําในอริยสัจกิจที่ต้องทําในอริยสัจสี่มี4ข้อเหมือนกัน ก็คือทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ต่านใช้ว่าปริญญ า, าปริญญาก็คือรู้รอบนีทุกเนี่ยนะเป็นของดีถ้าเกิดว่าเรากําหนดรู้หรือว่าเรารู้นะเราพิจารณาทุกข์แต่ถ้าเราเป็นทุกอันนี้มันกลายเป็นความหลงขึ้นมาทันทีเลยคนเรานี่เมื่ อ, อไรที่เป็นทุกนี่หลงเกิดขึ้นทันทีเลยนะ มันมันมาคู่กันก็คือวิชานั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่ารู้ด้วยสตินะอันนี้ปัญญาเกิดทุก์นี่มันเป็นจะเรียกว่าเป็นประตูสู่สัจธรรมก็ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ผ่านทุกนั้นเราก็ไม่รู้จักสมุทยัยเราก็ไม่สามารถจะเห็นคุณค่าของมรร แล้วก็เข้าถึงนิโรธได้นิโรธมังนี่ไปถึงไม่ได้นะถ้าเกิดไม่เจอทุกจะเจอทุกก็ต้องเจอให้เป็นนะถ้าเป็นทุกนี่ก็เสร็จเลยประตูปิดเลยไปอีกทางนึงคือไปสู่ความหลงบางทีลงอาบายไปเลยนะคนที่คนที่เวลาทุกข์มากนะพอเสียเศร้าโศกเสียใจ ยัไม่ต้องรอให้ตายกว่า น, นะตอนนั้นเขาเรียกว่าลงในโลกไปละหรือโกรธนะโกรธนี่ก็เป็นนรกขุมหนึ่งที่อยู่ในใจอันนี้เรียกว่าเป็นทุกข์นะไม่รู้จักการดูทุกข์หรือมองทุกข์หรือเห็นทุกข์แต่ถ้าเราตั้งหลักมาดูทุกข์เห็นทุกข์นี่เออมันกลายเป็นของดีมันก็จะเห็นสมุทยัยนะแล้วนิโรดมาก็ตามมา อย่างที่หลวงพ่อคำเตียนท่านพูดอยู่เสมอว่าในทุกมีความไม่ทุกอยู่ในทุกมีความไม่ทุกงั้นทุกนี่มันเป็นสามารถจะเป็นประตูไปสู่ความพ้นทุกได้จึงบอกจึงสามารถจะพูดได้ว่าทุกนี่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ว่าเราเกี่ยวข้องกับทุกไม่เป็นถ้าเราเกี่ยวข้องกับทุกเป็น อันนี้เป็นประโยชน์เป็นของดีเกี่ยวข้องนี้ให้เป็นให้เป็นนี่ก็ทําได้หลายอย่างนะเช่นเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วคือดูมันพิจารณามันหรือที่ภาษาภาคเรียกกาหนดรู้แต่เขาบอกําหนดรู้นี่ไม่ใช่เพ่งนะเดี๋ยวนี้ไปเข้าใจาไม่ถูกต้องไปเพ่งเข้าก็เป็นทุกทันทีเลยเหมือนกับว่าเราปวดนะนะเราเมื่อยนะถ้าเราไปเพ่งมันนะเราเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยเนละ เดี๋ยวไปคิดว่าการกําหนดรู้คือแปลว่าเพ่งนะแต่ว่าคือการรู้รู้เฉยๆรู้ด้วยสตินอกจากการรู้หรือกําหนดรู้แล้วเนะี่ยเรายัางสามารถจะใช้ทุก์ได้ในอีกแง่นึงก็ได้ใช้เป็นเช่นใช้เป็นตัวตัวกระตุ้นให้เรามีความเพียรพยายามนะความทุกข์นี่มันมีประโยชน์ หลายอย่างเช่นเวลาเราเจ็บเราป่วยเออมันก็สอนนะว่ามันกำลังเป็นสัญญาณบอกว่าเราต้องพักแล้วนะมันกำลังบอกเราว่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องเช่นเครียดมากไปหรือว่ากินอาหารไม่ถูกต้องหรือไม่ออกกำลังกายอันนี้ก็เรียกว่าใช้ทุกเป็นคือว่ารู้จักใช้ทุกเนี่ยเป็น สัญญาณเตือนให้เราปรับตัวปรับใจใถูกต้องหรือเวลาเราทํางานล้มเหลวมันก็สอนเราได้ว่าเราผิดพลาดที่ตรงไหนถ้าเราไม่หมวดแต่คล่ําครวญทําไมฉันล้มเหลวและโทษคนโน้นคนนี้เวลาล้มเหลวงานผิดพลาดเราก็จะชอบโทษคนโน้นคนนี้ด้วยความโกรธอันนี้เพราะมันเริ่มต้นจากการคล่ําครวนก่อน แต่ถ้าเราหามาใคร่ควรวญเออมาล้มเหลวพราะอะไรอันนี้เราฉลาดขึ้นเรามีปัญญามากขึ้นเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นคนที่สําเร็จพราะเขาคนที่ประสบความสําเร็จครั้งสําคัญๆเป็นเพราะเขาเจอความล้มเหลวหลายครั้งแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ไม่ควรทําคืออะไรและสิ่งที่ควรทําคืออะไร เราเวลาเร า, เราเจอสิ่งที่ไม่สมหวังเจอเหตุร้ายหรือว่าเราเจอความพัดพราดนะของหายเงินหายถูกโกงยาวแต่คร่าครวญเรามาคราขวนาเออมันมามันมาเตือนเรานะว่าอย่าประมาทหรือมันมาสอนใจเราว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยทุกอย่างเป็น ทุกอย่างก็มาอยู่กับเรเพียงชั่วคราวอย่างเมื่อสองปีที่ลามีน้ําท่วมใหญ่หลายคนก็สิ้เนื้อประดาตัวมากมีบางคนเนื้อฆ่าตัวตายและไม่น้อยก็เครียดซึมซึมเศร้าแต่มีคนหนึ่งคงจะมีหลายคนนะที่เขาพบว่าเออในน้ําท่วมนี้มาสอนเรานะว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยอย่างแท้จริง มันอยู่ทุกอย่างมาอยู่กับเราเพียงชั่วคราวแล้ววันหนึ่งก็จากกันไม่จากเป็นก็จากตายจากเป็นคือว่ามันจากเราไปจากตายคือว่าเราเองนั่นแหละที่เป็นฝ่ายจากมันเพราะว่าเราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วอันนี้เรียกว่าทุกข์สอนทำได้ทุกข์สอนทำเพราะว่าไม่มัวแต่คร่ำครวญ น, นะแต่ว่าใคร่ครวญ คร่ำควรเป็นวิธีของคนที่หลงเป็นวิธีแห่งความหลงส่วนใครควรเป็นวิธีแห่งปัญญาความทุกข์นี่มันสามารถที่จะผลักให้คนนี่เข้าหาธรรมได้นะอย่างพูกเราคงรู้จักท่านโกเอนกาท่านโกเอนก้านี่ก็เป็นวิปัสสนาจารย์คนสําคัญมากในยุค ป, ปัจจุบันเป็นค า, ารวาสนะ เป็นชาวเกิดในพม่าแต่ว่าเชื้อสายอินเดียเป็นคนที่ทําให้วิปัสสนาเนี่ยคำว่าวิปัสสนาเนี่ยเผยแพร่ไปทั่วโลกเดี๋ยวนี้เวลาพูดกับฝรั่งเนี่ยเวลาพูดคําว่าวิปัสสนานี่ยเขาหลายคนเข้าใจแล้วว่าหมายถึงอะไรหรือพอจะรู้ว่าเรากําลังพูดถึงอะไรมีคําหลายคําที่ฝรั่งนี่เขาเข้าใจหรือรู้จักแล้วเช่นคําว่ากรร ม, มะหรือกรรม เ, เขารู้ วิปัสสนานี่ก็เป็นธรรมที่ฝรั่งรู้จักจนกระทั่งพูดทับศัพท์ได้มีวิปัสสนาเซ็นเตอร์ทั่วโลกหลายร้อยแห่งที่เป็นอยู่ในสายของท่านกวเอนก้าน่าสนใจนะท่านมาสนใจธรรมะได้ยังไงในเมื่อเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในการทำธุรกิจโดยภาค อ, อุตสาหกรรมในพมา่าแต่มีอย่างหนึ่งที่ สร้างความทุกข์มากคือท่านเป็นโรคไมเกรนไมเกรนเนี่ยปวดหัวข้างเดียวปวดแรงมากปวดมากจริงๆรวยเท่าไหร่ก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้เพราะว่าไม่มียารักษาหมอก็ช่วยไม่ได้สักคนก็เลยจำเป็นต้องเข้าหาธรรมะเพราะว่ามีคนบอกว่าลองทำสมาธิสิแล้วเดี๋ยวจะหายหรือว่าจะดีขึ้น อาจจะไม่เชื่อแนละแต่ว่าไม่มีทางเลือกแนละ้วก็ลองไปทําสมาธิไปปฏิบัติสมาธิกับพระเพราะว่ามันช่วยได้นะดีขึ้นเรื่อยๆจนจนหายเลยก็เลยมีศรัทธาในการทํากรรมฐานตอนหลังก็ไปเป็นผู้ช่วยนะพระสอนกรรมฐานตอนหลังก็กลายเป็นครูสอนกรรมฐานเสียงเลยนะนี่เลยว่าถ้าไม่เป็นไมเกรนก็ไม่เจอทํา แค่นี้นไม่พอนะออมาถูกไล่ออกจากประเทศเพราะว่าพม่านี่เขามีนโยบายชาตินิยมใครเป็นเศรษฐกิจกิจการต่า ง, ต, างต้องเป็นของรัฐหมดไม่ให้เป็นของต่างชาติท่านก็เลยต้องอบพยพหนีลี้ภัยไปอยู่อินเดียต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนก็เป็นทุกข์นะดปราจากสิ่งที่รักจต่กลายเป็นของดีนะพระทําให้พุทธศาสนาก็ไปแพร่หลาย จากอินเดียก็พ่ายหลายไปยุโรปไปอังกฤษไปอเมริกาคือถ้าไม่พัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนองคงจะยังสอนทมอยู่แค่ในพม่าเก็มันก็ทยลาราม่านะ ล, ะละาะลาม่านี่เราไม่รู้จักหรอกถ้าเกิดว่าจีนนี่ไม่ไปยึดครองทิเบตจีนไปยึดครองทิเบตก็ไปฆ่าฟันผู้คนมากพราก็ตาย พอไม่ยอมให้จีนมาปกครองทารายุมาก็จะต้องอพยพออกจากทิเบตรวมทั้งพระทิเบตจํานวนเป็นพันเป็นหมืน่นก็เลยเป็นเหตุให้พุทธศาสนาทิเบตนี้แพร่หลายไปทั่วโลกพราพระทิเบตรหรือชาวทิเบตนี้ก็อพยศไปที่นนที่นี่บ้างไม่ใช่แค่อินเดียไปอังกฤษไปเยอรมันไปฝรั่งเศสไปอเมริกา แล้วก็สามารถสอนทำให้คนฝรั่งเขาเขา้เขาใจตัวเกิดศูนย์พุทธศาสนาะแบบ แ, แบบวัชรยานนี่มากมายในเดี๋ยวนี้ทั่วโลกก็รู้จักท่านทลายลัมมะถ้ายัางอยู่ในจีนก็คงรู้ถ้ า, อ ย, าอยู่ในทิเบตก็คงจะรู้ตักแต่เฉพาะคนที่สนใจธรร ม, มะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนไม่สนใจธรร ม, มะแต่ก็รู้ว่าทลายลัมมะคือใคร สอนอะไรความทุกข์นี่มันสามารถจะผลักให้เราเข้าใกล้แล้วก็เข้าถึงธรรมะได้หลายคนขอบคุณที่เป็นมะเร็งเพราะว่าถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่พบธรรมะพราะถ้าเป็นะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ยังสนุกสนานยังใช้ชีวิตเรื่อยเปือ่อยหรือว่ายังเอาแต่ทามาหาเงินนะมีความ มีความเพลิดเพลินกับความสำเร็จในการทำมาหากินโดยที่ไม่ชเชลียวใจเลยว่านั่นมันเป็นของหลอกของของชั่วคราวแต่พอจุดเป็นมะเร็งเข้าก็รู้ว่าไอ้นั่นไม่ใช่คำตอบแล้วคนเรานี่พอความตายใกล้ตัวจะรู้เลยว่าไอ้สิ่งที่ลุ่มหลงหรือว่าหมกมุลน่ะมันไม่ใช่เป็นสาระสำคัญ สารสำคัญก็คือธรรมะพอเป็นมะเร็งก็เลยหันมาสนใจธรรมะที่แรกเพ ก, กลัวตายแต่ศึกษาไปศึกษามาไม่กลัวตายแล้วพรารู้ว่าความตายไม่น่ากลัวไอ้ที่น่ากลัวก ว, กว่าคือความกลัวตายและความกลัวตายมันก็ทําให้คอยหนีความตายอยู่เรื่อยแต่ถ้าพิจารณาความตายแทจ้จริงเออมันก็เป็นธรรมดา เป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นมันไม่ดีไม่ช่วยในตัวเองอยู่ที่ว่าจะมองจะใช้มันอย่างไรถ้าใช้ให้เป็นความตายก็มีประโยชน์นะความตายก็สามารถจะเป็นโอกาสเป็นประตูในการไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นหรือว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เร่งทำความเพียรปฏิบัติธรรม หรือวเป็นตัวกระตุ้นให้เห็นสัจธรรมความจริงว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลยไม่มีอะไรที่ยึดถือได้สักอย่างเกิดแล้วก็ดับมาแล้วก็สูญมีแล้วก็หมดพบแล้วก็พลากเจอแล้วก็จากอันนี้คือสิ่งที่ความตายสามารถสอนได้มันก็ทําให้ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วใจก็สงบเพราะว่าที่ทุกๆวันนี้เนี่ยเพราะว่า ใจมันไปยึดเอาไว้มันไม่ใช่ทุกข์เพราะกายนะทุกวันนี้เรามีความสะดกสบายทางกายเยอะแยะอย่างที่พูดเมื่อวานแต่ทำไมถึงยังทุกข์อยู่เพราะใจมันยังยึดใจมันยังแบบหรือใจมันยังลุ่มหลงอ ย, อยู่ในอดีตบ้างัพวพันกังวลกับอนาคตบ้างอันนี้ก็เป็นความยึดติดแบบหนึง่งนะ แต่พอพิจารณาพิจารณาหรือมองใคราควรวนความทุกข์มันก็พบคําตอบว่าเป็นเพราะไปยึดนี่แหละที่ทำให้ทุกข์ปล่อยมันก็หมดทุกข์นะอย่างหลวงพ่อชาท่านบอกเนี่ยทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อย นะทุกหลุดเพราะปล่อยมันไม่ปล่อยนะถ้าไม่เจอทุกกันนะไม่ปล่อยถ้ายัางเจอทุกอยู่คนที่มีความสุขเนี่ยเขาจะยิ่งยึดเข่าไปใหญ่แต่เพราะมีความทุกข์นั่นแหละที่ทําให้ต้องปล่อยที่แรกปล่อยเพราะจํายอมแต่ต่อมาปล่อยเพราะมีปัญญาเห็นเลยว่ายึดไปก็ทุกข์เปล่า พาะไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยอันนี้ก็เกิดจากการที่พิจารณาเห็นทุกข์งั้นการเกี่ยวข้องกับทุกข์ให้เป็นเนี่ยมันสำคัญจึงต้องย้ำว่าในทุกข์กเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่ว่าเกี่ยวข้องกับทุกข์ไม่เป็นนะก็คือเป็นทุกข์หรือว่าปล่อยให้ทุกข์เนี่ยมันลากลู่ถูกรังไป ครูบาอาจารย์ถ้าก็จะย้ำนะว่าทุกไม่ได้มีไว้เป็นทุกมีไว้เห็นนะคนโง่นเนี่ยก็จะเป็นทุก์แต่คนฉลาดก็จะเห็นทุกนะหลวงพ่อคําเขียนท่านก็ถึงผู้เนี่ยให้เห็นนะอยา่าเพิ่ไปเป็นนะไม่ใช่แค่ทุกข์กายนะความทุกข์ใจก็เหมือนกันเมื่อยังเมื่อยังไม่รู้ก็ยังมีความทุกข์ใจนะก็เห็นมัน ความทุกข์ใจเช่นความโกรธความเครียดความขุ่นเคืองความหงุดหงิดก็เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นเดี๋ยวเมื่อาาคืนเนี่ยนะหลายคนคงนอนด้วยความทุกข์นะตาสว่างเลยเพราะว่าเสียงมารบกวนนี่ขนาดมาอยู่ป่าแล้วนะนก็ยังมีเสียงรบกวนนะแล้วใครที่คิดว่าเนี่ย จะมามาป่ามาวัดแล้วจะมีความสงบนี่มันคิดผิดนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความไม่สงบมันก็ตามมาถึงวัดแต่นั่นเป็นความไม่สงบทางกายก็นะคือเสียงดังแต่ว่าใจเราสงบได้เมื่อคืนนี้ถ้าใครใครหงุดหงิดนะรำคาญเพราะเสียงนี่ก็แสดงว่ า, าสอบตกนะนะเสียงดังแต่ว่า เราก็สักแต่ว่าได้ยินได้หรือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สักแต่ว่าเพราะว่าเกิดความหงุดหงิดข you. ึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเราเห็นความหงุดหงิดความไม่พอใจนั้นหรือเปล่าไอ้ตรงนี้ก็คือปัญหามากกว่านะไม่ใช่เสียงดังเสียงดังไม่ใช่ปัญหาแต่สิ่งที่เป็นปัญหาความหงุดหงิดความไม่พอใจซึ่งมันทําให้เรานอนไม่หลับซึ่งมันทําให้เรากระสับกระส่าย แต่ถ้าเรารู้ทันมันเออเห็นมันเห็นมันเกิดขึ้นเมื่อเห็นมันก็จะวางมันได้เสียงดังยเสียงยังดังอยู่แต่ว่าใจสงบได้ใจเฉยเฉยนะไม่ทุกข์ไม่ไมร้อนเดี๋ยวก็หลับเองนะแต่ที่ไม่หลับนี่ไม่ใช่เพราะเสียงนะแต่เพราะความไม่พอใจความหงุดหงิดความรําคาญอย่าไปอย่าไปอย่าไปมองอย่าไปโทษเสียง ต้องกลับมาดูใจของเราเรามองปัญหาไม่ถูกนะเรามองโต้ตัวการไม่ถูกกคงคล้ายๆกับเวลาเวลาเอาไม้ไปแย่หมาเนี่ยหมามันกัดอะไรหมามันกัดไม้แต่ถ้าเอาแต่ถ้าเอาไม้ไม้ไปแย่ไปแย่เสือเนี่ยเสือมันกัดอะไรเสือไม่กัดไม้นะเสือกัดคนเสือมัรู้ว่าอะไรคือตัวการ แต่หมานี่มันไม่รู้หมามันไปมันไปจัดการที่ปลายเหตุก็คือกัดไม้นคนเราเวลาทุกเนี่ยไม่ค่อยมองเห็นถึงสาเหตุที่แท้จริงนะไปมองที่ปลายเหตุหรือไปมองที่ตัวตัวตัวที่ไม่ใช่เหตุที่แท้เช่นนอนไม่หลับ ก, ก็ไปทั่วเสียงอันนั้นเนีไมอ่อันนั้นก็มีส่วนนะแต่ไม่ใช่ตัวการสําคัญตัวการสําคัญก็คือใจที่หงุดหงิดกระสับกระส่สาย ลำคาญมองให้ถูกจับจับให้จับตัวการให้ถูกนะนะอย่าไปเป็นหมาเป็นเสือนะรู้ให้ว่าอะไรคือตัวการแล้วมันก็ทําให้เราก็เมื่อเรารู้แล้วนะก็เพียงแค่ทําใจเป็นกลางมันก็จะสงบทีแล้วก็สงบที่ใจแต่สักพักกายก็สงบแล้วก็หลับไปได้ อะไรเกิดขึ้นกับเราก็ตามเนี่ยให้เราฉลาดในการรู้เท่าทันมันมันไม่ใช่มันไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาปัญหาที่ใจเราที่วางไว้ไม่ถูกต้องหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆไม่ถูกต้องไม่ว่าความแก่ความเจ็บความพัดพ้าความตายถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องก็จะมีแต่ได้ไม่มีเสียมีแต่กําไรไม่ขาดทุน อ่าล่ะชาเนีああ่ยกับกระเทีนี้